ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเหตุผลชนะหรือกิเลสชนะโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่23กันยายน2545หณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มีพูดถึงอ้าวมันก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็อ้าวอัตมาก็ฟังข้างหนึ่งพูดมาอย่างนี้อ้าอัตมาเข้าใจเนื้อหาแล้วอัตมาก็ฟังอีกข้างอ่ะข้างหนึ่งก็พูดมาอย่างนี้แต่โดยสรุปแล้วทั้งสองข้างเนี่ยนะมันติดอยู่เหมือนกับอะไรนะหางช้างติดพวยกาสำนวนนี้เป็นอีกสำนวนหนึ่งคืออุตษาเอาตัวเนี่ยนะลอดลอดไอ้ลูกาออกมาได้แล้วเนี่ยนะ สมมติว่าช้างเนี่ยช้างทั้งตัวเนี่ยนะอุสาเอาเอาตัวเนี่ยนะรอดไอ้ไอ้ผวยกาที่เขาไว้ไว้เทน้ําอ่ะเขาเขาจะเรียกอะไรอะ่ะไอ้ตรงที่เทน้ําอ่ะอล้มันเขาเรียกว่าผวยกาหรือเปล่าไอ้ตรงที่เทใช่ไหมอ่าเขาเรียกว่าพวยกานะเสร็จแล้วก็ปากรว่าช้างทั้งตัวเนี่ยอุสาเอาตัวรอดพ้นออกมาแล้วนะหรือแต่หางเนี่ยติดติดอยู่ที่ผวยกาเนี่ยก็เลยไม่หลุด ช้างนี่เลยก็ไม่ไม่หลุดออกมาจากกาได้เลยเพราะว่าหางติดอยู่กําลังจะเปรียบให้ฟังว่าว่าพวกเราเนี่ยเนี่ยเอาเอาหมายถึงว่ากู้กรณีสองคนนี้นะที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าทําบุญทําทานก็เคยทํามาเยอะแล้วนะเป็นร้อยเป็นพันโอ้อาจมาว่ารวมรวมแล้วบางทีอาจจะเป็นหมื่นนาเป็นหลายๆ ห, หมื่นมาแล้วนะโอ้ทําบุญทําทานได้เสียสละได้ เสร็จแล้วมีปัญหาแค่สิบาทยี่สิบาทเนี่ยนะทะเลาะกันกับไอ้ปัญหาแค่สิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหจะเอาเรื่องเอาราวกันเนี่ยอัตามานะเนี่ยคืออัตามานะสิบาทยี่สิบาทนี่ปรากฏว่าจะเรื่องถึงถึงแจ้งความถึงตำรวจอัตอมาบอกโอ้โหตายละถือศีลมาปฏิบัติทำมาเยอะแยะมากมายนะถ้ามา มาติดอยู่แค่ตรงนี้นิดแย่เลยแสดงว่ามัวไปคิดถึงวัตถุนะมัวไปคิดถึงไอ้วัตถุเข้าวของแล้วก็เลยยอมกันไม่ได้โดยที่ลืมมองกิเลสของตัวเองนะปรากฏว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยโอ้โหอัตตามานาะขึ้นแล้วนะนะลืมมองมัวไปมองคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ถูกคนอื่นเนี่ยเขาทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเขาควรอย่างนั้นสิ เขาควรอย่างงั้นอย่างง้นสิคือเราคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ยึดในความถูกต้องของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะจบได้คือเขาต้องแก้ไขเรื่องนี้ถึงจะจบแล้วก็ยึดอยู่อย่างเงี้ยนะว่าเขาต้องแก้ไข เ, ออเขาต้องยอมมาหาเราหรือเขาต้องต้องต้องยอมเสียสละมาให้เรานั่นแหละเรื่องนี้ถึงจะจบ จบนี่หมายถึงว่าจบแบบว่าคนอื่นยอมให้เรานะที่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยซึ่งนี่แหละโอ้โหลืมมองอัตตามานะเรานี่มันใหญ่เบลมเทิมแล้วนะบังเอิญบางเอิญพอดีก่อนจะมาเนี่ยก็มีนักปฏิบัติธรรมเรามาถามบอกว่าพอดีเนี่ยแหละอยู่ที่ศาลาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าช่วงที่ฉันอาหารเสร็จแล้วกินกินกินอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยนะ ก็จะจะเล MM. ิกไงบางทีก็มีการกราบใช่ไหมมีกราบสมณะมีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็เห็นเห็นอีกคนหนึ่งอาจจะยังหันไปทางอื่นน่ะไม่ทันหันมาทางนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกราบัาแล้วเนี่ยก็เลยสะกิดก็เลยสะกิดเพื่อนแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้มือสะกิดแต่ใช้เท้าสะกิด บ้ากไวใช้เท้าสกิดเพื่อนโอ้โหเพื่อนก็เลยแบบขึ้นขึ้นมากเลยนะบอกอะไรโอ้โหใช้เท้าสกิดเนี่ยมันโอ้โหถือสามากเลยแล้วบอกว่าโอ้โหทําไมทําหน้าเกลียดอย่างนี้นะก็ไม่ได้ไปด่าว่าอะไรนะแต่อารมณ์มันขึ้นแล้วอารมณ์มันขึ้นแล้โหแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้โหวางจะไม่ลงอยู่แล้วนะเนี่ย เพราะว่าโกรธเพราะว่าไม่ชอบใจก็เลยมาถามอตมาว่าจะทำยังไงดีอตมาก็บอกนี่แหละนี่ยแหละว่ามานะอัตตาเนี่ยแหละเห็นไหมถ้ามานะอัตตามันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเกิดมานะเนี่ยนะมานะนี่แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าถือตัวถือดีนะ เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยคาว่ามานะเสร็จแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็พอมานะนี่มันเกิดขึ้นคือความถือตัวความถือดีหรือว่าถือถูกพูดง่ายว่าถือว่าเราถูกนะนี่นอีกถือหนึ่งถือดีถือตัวเราพอฟังเคยได้ฟังแล้วแต่อีกอันหนึ่งคือว่าถือถูกไอเราถืออย่างเงี้ยแล้วเราก็ยึดว่าเราถูกยึดว่าเราถูกยึดว่าเราถูก เราไม่ได้มองไอ้ไอความยึดของว่าว่าเราถูกว่าเราถือดีของเราเนี่ยนะเราไม่ได้มอง อ, อ, อันนี้ว่ามันเป็นกิเลสไงเราไม่ได้มองแต่พอเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยเรามองความผิดพลาดเขาเรามองความไม่ถูกต้องของเขานะแล้วเราก็ว่าเนี่ยโอ้โหความผิดพลาดความบกพร่องของเขาเนี่ยใหญ่โตเหลือเกินยิ่งยิ่งเราปรุงมากเท่าไหร่ยิ่งเราคิดมากเท่าไหร่เนี่ย เราก็จะยิ่งโอ้โหขยายเขาเรียกว่าขยายผลขยายผลความความไม่ถูกของเขาเนี่ยแล้วเขาขยายผลยิ่งขยายผลไปมากเท่าไหร่ความไม่ชอบใจนะก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งคราวนี้เมื่อเรามองไปอย่างนี้เนี่ยความผิดพลาดของเขาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยเืยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความถูกต้องของเราก็ยิ่งยิ่งยิ่งเบ่งเยอะเลยความถูกต้องของเราก็ยิ่งใหญ่ ความถูกต้องของเขาเนี่ยเล็กลงไปเรื่อยเล็กลงไปเรื่อยเพราะเราเรามองเขาผิดไงว่าความผิดเขาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งใครมองอย่างนี้เนี่ยเนี่ ย, ยอัตามานะมันจะมองอย่างนี้แหละให้ให้คุณรู้กิเลสอัตามานะว่าเวลามองจะมองแบบนี้เมื่อมองแบบนี้เนี่ยอัตมาถามหน่อยฮะคุณจะวางใจได้ยังไงเพราะว่าคุณก็ยึดอยู่ว่าเขาผิดแล้วเขาก็ผิดมากเลยแล้วคุณก็ถูกเพราะนั้นถ้าสองคนเนี่ย เกิดเกิดปะทะกันขึ้นเนี่ยมีเหลือว่าจะยอมอะ่ะในเมื่อเราคิดว่าเราถูกอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้ยิ่งเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยว่าเขาผิดเนี่ยมองตามเหตุผลนะตามเหตุผลซึ่งเรายึดเหตุผลว่าอย่างเงี้ยเมื่อคิดเหตุผลอย่างนี้เนี่ยไอ้คนผิดมันต้องมายอมคนถูกดิถูกต้องใช่ไหมล่ะตามเหตุผลก็เพราะเราเราคิดอยู่ว่าเขาผิดไงแล้วเราคิดว่าเราถูกเราถูกมากด้วยเขา เขาผิดเนี่ยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีแต่เขาต้องมายอมเราอดีตมาต้อบอกคิดอย่างเนี้ยคุณไม่มีทางยอมใครได้เลยและอัตตามานะเราก็จะไม่มีเล็กลงหรือจะไม่ลดลงเนี่ยแหละช้างเหล็กี่เนี่ยบอกว่าหางช้างมันติดพลอยกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะมาติดอยู่ตรงนี้แหละวะะันเรื่องของอัตตามานะเนี่ย ท, ที่สําคัญที่สุดคือมันติดตรงความคิดเนี่ย ความคิดเนี่ยความยึดเหตุผลที่เรายึดเอาไว้พ่อท่านถึงใช้สำนวนไว่าอย่างไงพ่อท่านใช้สำนวนนว่าอยางไงเออเออเหตุผลใช่ไหมเออเหตุผลคืออะไรความบ้าอัตตาอัตตาก็คือมารณเนี่ยนะอัตตามารณ์เนี่ยอัตตานี่คือความจริงคือเราเนี่ยนะไม่ได้มองความจริงอันนี้แต่เรา ไปมัวเอาเหตุผลซึ่งเหตุผลเนี่ยมันเข้าข้างกิเลสเราเหตุผลมันไม่ได้มไม่ได้เข้ามันไม่ได้ทาให้เรามองเห็นความจริงนะเพราะอาตมาบอกแล้วว่าถ้าบางคนเนี่ยนะเอาแต่เหตุผลเอาแต่เหตุผลเนี่ยแล้วลืมมองกิเลสตัวเองอาตมาบอกได้เลยว่าเหตุผลนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องหรอกไม่ใช่ความจริง <S <S เอ่อ อาตมาเนี่ยพูดกับทั้งสองคนแล้วอาตมาเนี่ยพูดกับทั้งสองคนแล้วแล้วอาตมาก็บอกกับทั้งสองคนแล้วด้วยบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสองคนนะเป็นเรื่องของแค่สองคนเท่านั้นเองและอาตมาก็ยืนยันว่าใครยอมใครก่อนใครไปหาใครก่อนเนี่ยคนนั้นน่ะหางช้างจะหลุดจากปวยกาก่อน ใครยอมใครก่อนคนนั้นหลุดก่อนนั้นะแล้วคนนั้นก็จะอะไรอะ่ะได้ลดกิเลสมานะอัตตาของตัวเองยิ่งยิ่งถ้าคิดว่าตัวเองดีกว่านะอาจจะมาฝากแง่คิดไว้อันนยิ่งถ้าคิดว่าตัวเองดีกว่าตัวเองถูกต้องกว่าก็ต้องหมายถึงว่าคนนี้มีภูมิธรรมมากกว่าถูกไหมถูกไหมล่ะ อ่ะถ้าถ้าถ้าคิดว่าตัวเองดีกว่าตัวเองถูกต้องกว่าแสดงว่าต้องต้องมีภูมิธรรมสูงกว่าถูกใช่ไหมอ่าถ้าคนที่มีภูมิธรรมสูงกว่าเนี่ยจะเสียสละได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าเขาจะต้องเสียสละได้มากกว่าใช่ไหมล่ะแล้วนี่ก็ไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตหรือว่าอะไรที่ไหนจะว่าไปก็ก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ย แต่ว่าไปก็เป็นญาติธรรมอ่ะอ่ะเป็นมิตรที่ปฏิบัติธรรมกันมาโอ้โหร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเป็นลูกพ่อเดียวกันอะนะบางทีก็อะไรอ่ะทําบุญทําทานก็ร่วมทําบุญทาทานมาด้วยกันสมมุติว่าถ้าอยู่ตะวันง่ายด้วยกันก็ก็ร่วมทําบุญทําทานมาด้วยกันหลายงานแล้วอ่ะไม่ได้เป็นคนที่น่าเกียดน่าชังอะไรที่ไหน เพราะฉะนั้นน่ะยิ่งถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราภูมาทำสูงกว่าเอาสิซึ่งเรื่องเนี้นมาพูดไปบ่อยมากเลยนะที่ททีีท่่ชอบเปรียบระหว่างบัณฑิตกับคนพานน่ะบัณฑิตก็ต้องเป็นคนภูมาทำสูงกว่าใช่ไหมคนพานก็ต้องเป็นคนที่ภูมาทำต่ํากว่าถ้าสองคนเถียงกันทะเลาะ ก, กันใครต้องยอมใครถ้าพูดตามเหตุผลอ้าวเอ า, เอาตามเหตุผลก่อนใครต้องยอมใคร ตามเหตุผลบัณฑิตเอ่อคนพาณิชย์ไหมต้องยอมบัณฑิตสิถ้าตามเหตุผลที่ถูกต้องอะ่ะใช่ไหมคนที่ดีกว่าไม่น่าจะต้องยอมสิคนคนเร็วกว่าต้องมายอมคนดีกว่าตามเหตุผลนะนะตามตามเหตุผลต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตามกิเลสอะตามความเป็นจริง่งมันมีไหมไอ้คนโง่เนี่ยคนพาณเนี่ยคือคนโง่ มันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ราวอะไรมันจะเอาตามใจตัวเองอ่ะมันจะเอาตามกิเลสมันอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีแต่จะเอาชนะอย่างเดียวอ่ะมีเหล่าคนโง่มันจะยอมอ่ะมันหัวชนฝาเลยยังไงมันก็ต้องเอาชนะให้ได้อ่ะมันไม่ได้ด้วยเลรมันเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลมันก็เอาด้วยเวทมนตคาถาอืมมันเอาอย่างนี้จริงๆถ้าคาถาเอาไม่ได้มันใช่อะไร มันใช้อาวุธแต่มันใช้กำลัง น, น, น, น, น, นี่นี่เนี่ยคือคนพานเพราะฉะนั้นนี่นนี่คือความจริงอ่ะนี่ไม่ใช่เหตุผลนะนะนี่คือความจริง อ, อก็ก็ใช่ไงแล้วก็ลกี้บอกแล้วถ้าคุณภูมาทําสูงกว่าก็ภูทําคุณสูงกว่าก็ต้องหมายความว่ากิเลสคุณน้อยกว่าสิ ใช่ไหมล่ะเมื่อคุณภูมิธรรมสูงกว่ากิเลสคุณน้อยกว่าคุณต้องเสียสลาได้ได้เก่งกว่าคนนั้นสิเพราะฉะนั้นอัตมาวันนั้นอัตมาสรุปจบตรงที่เรียกว่านะไม่ได้ตัดสินนะไม่ได้ตัดสินอะไรแต่สรุปจบตรงที่เรียกว่าใครเสียสลาให้ใครได้คนนั้นภูมิธรรมสูงกว่าเออแล้วก็บอกแล้วมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรสิบาทยี่สบาทแค่นี้โอ้โหคุณจะไปอะไรกันนะกันหนาะ <c oughs> คุณจะไปคอขาดบาดตายอะไรกันน่ะโอ้โหนะทําไมแค่นี้ยอมไม่ได้แล้วไอ้คําว่ายอมได้คราวนี้คุณฟังดูให้ดีนะคําว่ายอมได้ฟังให้ดีคําว่ายอมได้เนี่ยยอมได้คือฉันนั่งอยู่กับที่นะรอให้เข้ามาฉันยอมฉันยอมนะแต่ว่ารอให้เข้ามาฉันจะนั่งอยู่กับที่เนี่ยเข้ามาแล้วฉันถึงจะบอกเขาหรือฉันถึงจะพูด โอ้โห น, นี่ยอมแบบไหนนี่ยอมแบบไหนยอมแบบอัตตามนานะยังเต็มที่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรู้สิยอมไหนไหนจะยอมอะ่ะโอ้โหบอกแล้วนะคุณยอมได้มากเท่าไหร่เนี่ยจริงๆเนะี่ยมันไม่ใช่ยอมเขาหรอกแต่คุณกำลังสู้กับอัตตามนานะตัวเองสู้กับกิเลสตัวเองคุณยอมเสียสละได้ทั้งหากแล้วคุณยอมเสียเปรียบได้ทั้งหากแล้ว คุณกําลังแบบโอ้โหลดกิเลสคุณนะเพราะฉะนั้นคุณ ย, ยิ่งยอมได้มากเท่าไหร่เนี่ยกิเลสอัตามาณัฐคุณยิ่งลดหัวภาพหัวภาพหัภาพไปตามตามที่คุณยอมเลยแทนที่จะรอเขาเดิน ม, มาหาเราเอ้ยเราเดินไปหาเขาก็ได้เนี่ยบางคนเนี่ยอุตส่าห์เดินไปหากันนะรอรอก่อนเดี๋ยวให้เขาเป็นคนพูดก่อนเรื่องเรื่องนี้มีมาแล้วทั้งนั้นนะอาตมาก็เคยเอาชาดกมาเล่าให้พวกเราเราฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ พระเจ้าบางทีเทศสอนอะไรต่ออะไรนะมีพราหมณ์บางคนเนี่ยยิงเนี่ยนะอตามานาจัดมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศแสดงธรรมอะไรนี่ยืนฟังอย่างนี้ยืนฟังนี่อัตามานาทั้งนั้นนะโอ้โหยังหลงตัวเองยังเชื่อตัวเองยืนฟังฟังเสร็จแล้วยังไงพอบางทีพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมจบแล้วเนี่ยนะคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทักทายอะ ถ้าพุทธเจ้าปฏิสันฐานพราหมณ์คนเนี้ถ้าปฏิสันฐานเนี่ยเขาถึงจะแบบว่าทักทายกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระุทธเจ้าไม่ทักทายเขาเขาก็ไม่ทักด้วยโอ้โห <c oughs> คุณดูอัตตามานะว่าว่าต้องรอให้ให้ทักก่อนแล้วเราเรานี่ถึงจะ ท, ทําทีหลังเนี่ยเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องอัตตามานะกิเลสพวกดีนี่จะรออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยคือรอให้คนอื่นเนี่ยมาเนี่ยเเนี่ยอัตตามานะ ชัดเลยของจริงเลยแหละแต่มองมองไม่เห็นตัวเองไงคงมองคนอื่นอยู่อย่า ง, ง น, นั้นไงคือยังคนมองคนอื่นให้คุณรู้เถอนี่แหละเนี่ยคือกิอเลสตัวมานอาตามมันจะเล่นงานคุณแล้วคุณจะคิดแบบนี้แหละคุณจะคิดแบบเนี้อยู่เรื่อยไปแล้วถ้าตาใดคุณคิดอยู่อย่างเนี้ยคุณจะไปยอมเขาได้ยังไงมันไม่มีทางยอมได้เพราะการยอมของคุณก็คือต้องให้เขามาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นาการที่เขามาเนี่ยนะจริงๆแล้วเท่ากับว่าเขายอมต่างหากาไม่ใช่เรายอมนะถ้าเขามานี่คือเขายอมแสดงว่าเราแย่ไม่ใช่เรายอมเราแย่กว่าแล้วแสดงว่ากิเลสมนตะอัตตาเราใหญ่กว่าเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงอ น, นุมาบอกแล้วอย่า ย, ยกเหตุผลพวกนี้มาถ้า ย, ยกเหตุผลพวกนี้มาเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของเขาอีกเหมือนกัน เพราะนั้นไม่ใช่บอกแล้วอย่ามัวมองคนอื่นนี่ยังคงมองคนอื่นอีกอยู่แล้วไม่ได้มองไม่ได้มองมาที่กิเลสตัวเองเมันบอกแล้วตาบใดเนี่ยถ้าเรามัวมองกิเลสคนอื่นนี่นะเราก็จะเห็นกิเลสคนอื่นเนี่ยใหญ่อยู่เรื่อยแต่ถ้าตาบใดเนี่ยเรามองกิเลสตัวเราเองเมื่อไหร่คุณจะเห็นกิเลสของคุณเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณจะเห็นชัดขึ้นนั่นเองถ้าคุณเห็นกิเลสตัวเองชัดขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยอาตมาบอกได้เลยนี่ก็เป็นอีก อันหนึ่งที่จะทําให้เรายอมคนอื่นได้คุณเคยสังเกตไหมถ้าเรื่องไหนเนี่ยคุณคุณมีความผิดคุณมีความบกพร่องอยู่นะถ้าสมมติว่าเรามีอยู่นะเราเห็นกิเลสเราไงอ่ะจะมายกเรื่องหนึง่งสมมติว่าสมมติว่าเราเรากินอาหารเนี่ยเอาบางคนเนี่ยสมมติว่าอยู่วัดอยู่วัดบางครั้งเนี่ยเราก็มากินมื้อเย็นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าเออเรานี่มันยัง ไม่ดีนะเรายังไม่เก่งนะแอบมากินตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้าคุณมีความผิดอยู่นะแล้วคุณรู้กิเลสตัวเองอยู่ว่าเอ้ยเรายังบกพร่องอย่างนี้คุณไปเห็นคนอื่นเขาทาผิดอัวนี้นะคนอื่นแล้วนะคนอื่นเขาเกิดมากินมื้อเย็นคุณเองเกิดไปเห็นนะโอ้ยนี่ไปแอบกินมื้อเย็นคุณจะไปติคุณจะไปว่าเขามากไหมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่หรอกเพราะกูก็เป็นเหมือนกัน <laughs> ยิ่งถ้าเรารู้สึกว่า จริงจเนี่ยยิ่งถ้าเราเห็นว่าเราเป็นมากกว่าเขาอีกอ่ะคุณจะยิ่งไปกล้าหูไปติไปว่าคนนั้นคนนี้เขาอย่างงั้นเหรอคุณยิ่งไม่กล้าเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรกลัวเขาตีสองกลับมานี่เรายิ่งยิ่งโดนหนักยิ่งกว่าอีกนี่หมายถึงว่าอันนี้หมายถึงว่าอย่างน้อยน้อยเราก็ปฏิบัติทำมาเราก็มีสติรู้ตัวเราอยู่บ้างกันนะว่านี่กิเลสเรามีขนาดนี้ขนาดนี้นะเพรา ะ, ะนี่นคุณไปสังเกตดูเถอะถ้าตัวเราเองเนี่ย เราเห็นเลยว่าเรื่องไหนล่ะเรารู้สึกว่าเรายังมีกิเลสอยู่มากเนี่ยเรื่องนั้นคุณไม่ค่อยกล้าไปตีเรื่องนี้กับใครเขาสักเท่าไหร่หรอกถึงคุณจะเห็นคนอื่นเขาทาผิดเรื่องนี้แต่คุณไม่ค่อยกล้าหรอกใช่ไหมเพราะมันมันเห็นกิเลสเราอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้ให้พยายามไปสังเกตอันนี้ให้ดีอาตมาบอกก็เลยคุณจะวางใจคนอื่นได้ถึงขึ้นคุณจะยอมคนอื่นได้เก่งขึ้นคุณจะไม่ไปโกรธไม่ไปถือสาคนอื่นเขานักหรอก เพราะข่าวนี้เราเป็นคนที่คอยมองดูกิเลสเรามากกว่าที่จะไปคอยมองกิเลสคนอื่นแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราตาบอดหรือรหลับหูหลับตานะเราเห็นอยู่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาบกพร่องเขาผิดพลาดนะเขามีกิเลสเห็นแต่ที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยน้อยกว่าที่เราเห็นตัวเราเองเห็นกิเลสคนอื่นเนี่ยมันน้อยกว่าที่เราเห็นกิเลสเรา เมื่อเราเห็นกิเลสเราเนี่ยโอ้โหเยอะกว่ามากกว่าคุณจะระวังคุณจะระมัดระวังกิเลสตัวเองมากกว่าที่จะเที่ยวไปคอยระมัดระวังกิเลสคนอื่นเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลวกว่านี้เนะเดี๋ยวเขาตกต่ำเนะคุณจะไม่ไม่ไม่ไปห่วงกังวลอันนั้นมากมันจะห่วงกังวลตัวเองเนี่ยก่อนเลยว่ากิเลสเรานี่แหละที่มันจะทาร้ายเรามันจะ เล่นงานเราก่อนเนี่ยนะพผู้เจ้าถึงได้บอกว่าทำนาของเราก่อนก่อนไปทำนาคน อ, อื่นเขาเนี่ยท่านก็ยำ้ำน่านก็สอนอยู่วันถึงบอกว่าตัดรอบเลยกิเลสคนอื่นเราเห็นเรารู้เนี่ยถ้าเราสงบใจเราได้นะคุณเห็นกิเลสตัวเองแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปคิดอย่างเงี้กับเขานะ้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าว่ า, วาเอาเท้ามาสกิดเราอ่ะนะแล้วก็อะไรอะ อ้าเดี๋ยวจะได้กราบด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เราถือสาเนี่ยถ้าเราไม่ไปมัวมองกิเลสเขาว่าเออโอ้โหเอาเท้าสกิดนี่ไม่ไม่ควรเลยนะไม่เหมาะเลยนะจริงไม่ไม่ไม่ต้องเขารู้หรอกเราก็รู้ว่าอันนี้ไม่เหมาะไม่ควรแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปเพ่งเนี่ยเราไม่ไปเพ่งที่ที่กิเลสเขาเนี่ยเราจะไม่ถือสาอะไรมากแต่เรารู้นะว่าไม่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะมาใช้เท้าสกิดเรา อแต่มันไม่ไปโกรธเงี้ยมันไม่ไปปรุงโอ้โหยึดถือสาอะไรมากมายมันจะไม่ไปปรุงต่อแต่ถ้าคุณคุณไปมัวแพ่งกิเลสเขาโอ้โหคุณจะปรุงไปเรื่อยนะเอ้สงสัยอย่างนี้นี่ดูหมิ่นเราเอ้สงสัยอย่างนี้นี่ถือว่าเรานี่อะไรอะต่ําเตี้ยวกว่านะเอะเอหรือว่าไม่ให้เกียรติเราเลยกูก็ปรุงไปเรื่อยจ้ะกูยิ่งปรุงอย่างนี้เอาละกิเลสคุณก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เลยอาตมาถึงบอกต้องต้อวัยต้องให้ทันเพราะเกิดสภาวะอารมณ์จิตอย่างนี้ขึ้นมาปับ๊บรีบเลยรี บ, ร บ, ร บ, รบดูเราไม่ใช่ไปดูคนอื่นแล้วพอเราพิจารณาอย่างเงี้ยพอเห็นกิเลสเราใช่ไหมเราก็พิจารณาพิจารณาจนให้มันเนี่ยให้มันสงบลงไปได้คุณวิปัสสนาจนกระทั้งมันเย็นลงไปสงบลงไปคุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเป็นมิตรดีสายดีนะอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกัน คุณก็ให้คุณทรัพย์มาเออทําอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะไม่ควรนะคุณก็ให้คุณทรัพย์ได้ไม่แปลกประหลาดอะไรเลยเออให้คุณทรัพย์ได้อยู่แล้วแต่คราวนี้มันต่างกันตรงว่าเราไม่ได้ไปให้ด้วยอารมณ์อึดอัดไม่ชอบใจถือสาคือไม่ได้ให้ด้วยกิเลสเราแต่ให้ด้วยความรู้สึกเออดูพิจารณามาแล้วนี่เออร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโอ้โหอะไรอ่ะ เขามีความผิดสมมุตินะเขามีความบกพร่องก็ แ, แค่นี้เองแต่อัที่ดีเขาก็มีอีกต้องเยอะแยะมากมายเนี่ยมันพิจารณาออกพิจารณาเป็นแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าเออใช่สิเพราะฉะเวลามองคนอื่นเนี่ยถ้าคุณจะยอมใครได้เวลามองคนอื่นนะคราวนี้ไม่ได้มองตัวเองนะถ้ามองตัวเองเนี่ยต้องมองกิเลสตัวเองให้เห็นมากที่สุดให้เห็นใหญ่ที่สุดให้เห็นโตที่สุดกิเลสตัวเองเนี่ย คุณต้องมองให้ให้ออกแต่ถ้าเวลามองคนอื่นคุณจะยอมได้เนี่ยต่อเมื่อคุณมองเห็นจุดดีของคนอื่นให้ใหญ่ขึ้นให้มากขึ้นให้โตขึ้นถ้าคุณมองคนอื่นนะแต่ตอนนี้ไอ้ที่จะยอมไม่ได้เพราะเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยเรามองความผิดเขาอะโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยส่วนไอ้ความดีเขานะ้าบางทีนะมีบรเริ่มเทิมเลยนะ มันเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆเลยหายจ้อยเลยแล้วคุณจะยอมได้ยังไงถ้าคุณยึดอยู่อย่างนี้และคุณมองอยู่แต่มุมแบบนี้ไม่มีวันยอมหรอกเพราะฉะในขนาดเดียวกันใช่ไหมพอเราเรานึกถึงตัวเราเนี่ยอเล็กซี่อัตมาบอกตั้งแต่ต้นแล้วมันก็จะยึดแต่ไอ้ที่ถูกของเราโอ้โหไอ้ถูกที่เราที่โตขึ้นเรื่อยๆเลยนะถูกของเราที่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ไอ้ที่เราผิดนี่นะไอ้ที่เป็นกิเลสเราอ่ะเราแทบไม่ได้มองเลย เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นจะยอมได้ยังไงมันไม่มีทางยอมเลยอันนี้แหละพุทธเจ้าถึงได้สอนแล้วสอนอีกอาจมาก็เอามาพูดบ่อยนะที่บอกว่าแต่ท่านใช้เป็นรูปธรรมออกมาเลยท่านใช้ว่าถ้าเวลาติคนอื่นเวลาว่าคนอื่นนะถึงบอกว่าว่าคนอื่นเนี่ยพูดความผิดของคนอื่นเขาให้น้อยๆหน่อย อย่าไปพูดความผิดของเขาอื่นเขามากนะแต่ถ้าเวลาพูดความดีของคนอื่นเนี่ยท่านให้พูดใหญ่ๆให้พูดเยอะๆความดีเขามีสมมติว่าเขามีอะไรอ่ะมีกอไก่เข้าไข่เข้อขวดข้อควายอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้แต่ละอย่างอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะแต่ถ้าเวลาพูดเนี่ยเอาเลยเขามีดีสามสี่อย่างนี้พูดไปเลยแหมสามสี่อย่างเ้าดีอย่างยนี้ท่านถึงได้แนะนําอย่างนี้เพราะอะไรล่ะ การที่คุณจะพูดอย่างนี้ได้จิตคุณก็ต้องต้องทำให้ได้ด้วยใช่ไหมคุณถึงจะพูดอย่างนี้ออกมาได้มันต้องมาจากจิตคุณก่อนแต่พอเวลาคราวนี้ท่านบอกว่าพอเวลามองตัวเราเวลาพูดพูดถึงความดีของตัวเราท่านบอกพูดน้อยๆหน่อยเวลาพูดถึงความดีของตัวเองหรือความถูกต้องของตัวเองอ่ะน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยแต่พอเวลาพูดความปิดของของของตัวเราเอง ถ้าบอกให้พูดให้ใหญ่เลยพูดให้กว้างขวางเนี่ยคือวิธีการที่ท่านสอนเราว่าเวลาคิดเนี่ยเพราะว่าการพูดมันก็ต้องมาจากจิตท่านกลังสอนให้เราคิดว่าหัดคิดอย่างนี้ให้ได้หัดคิดอย่างนี้ให้เป็นถ้าใครคิดอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้เป็นอัตตาวานาของคนนั้นจะเล็กลงเรื่อยๆจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะยอมคนอื่นได้อย่างเสียสละได้จะไม่กลัวเรื่องการเสียเปรียบ คุณจะไม่กลัวแต่ไม่ใช่ว่าเราทํายอมดะาไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยจนกระทั่งเสียธรรมนะเสียธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะมีปัญญารู้ด้วยว่าบางครั้งนี่ยอมไปแล้วมันเสียธรรมอย่างเงี้ยเอา้าอย่างงี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่ว่ามันจะแยกแยะได้ไงมันจะไม่ใช่ไปเกลียดแค้นเขาไม่ใช่ไปจิงคังเขาแล้วก็ไม่ถือว่าเราในถูกอย่างเดียวเขาผิดหมด มันจะไม่เกิดสภาวะ อ, อย่างนั้นแต่บางอย่างเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ปล่อยอย่างนี้ไปไม่ได้นะคนนี้ปล่อยแล้วจะยิ่งเลวร้ายทั้งส่วนตัวเขาแล้วก็ส่วนรวมก็จะยิ่งเสียหายไอ้อย่างงี้เราก็ยอมไม่ได้เพราะมันเสียธรรมเสียทั้งประโยชน์ตนเสียทั้งประโยชน์ท่านอ่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องติกันละจะต้องว่ากล่าวกันละแต่เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดชังอะไรดีไม่ได้มีอัตตามานะไปใส่เขานี่ เพราะมันมันจะต้องล้างจิตพวกนี้ลงไปให้ได้ก่อนกิเลสพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยถึงจะฝึกฝนตัวเองเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นแล้วคราวนี้หลายอย่างที่คุณเกียดชังที่หน้าใคร ค, ค, คุณไม่ชอบคนนั้นคุณไม่ชอบคนนี้คุณถึงจะล้างออกไปได้ไม่อย่างนั้นนะถ้าไม่ฝึกอย่างนี้ไว้เนี่ยล้างไม่ออกหรอกบอกคุณได้เลยมันจะสะสมไปเรื่อยๆยังเก่งเนี่ย ถ้าใครไม่ฝึกวิปัสสนาที่จะล้างจิตออกไปนี่นะคนนั้นน่ะจะคือมันอยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยทะเลาะ ก, กันมันไม่ดีรู้อยู่แล้วใช่ไหมทะเลาะ ก, กันไม่ดีแนะ่เถียงกันไม่ดีแล้วหรือว่าจะมาบึ้งตึงจะมาอะไรใส่กันก็ไม่ดีทั้งนั้นเพราะคนเนคนนี้จะมีความรู้ตรงนี้เพราะว่ายัางไงก็ต้องฟังเทศฟังธรรมมาก็รู้ดีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ส่วนใหญ่จะแก้แบบสมถะ แก้แบบสมถะก็คือแก้โดยชนิดที่เรียกว่าอะไรนะเฉยๆไงคือคือไม่รู้ละเราเฉยๆอยู่อย่างนี้แหละเฉยๆอยู่อย่างนี้แหละแต่ไอ้คําว่าเฉยๆอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ได้ล้างกิเลสนะเพราะว่าไม่ได้บีปัสนาล้างล้างไอ้ตัวไม่ชอบใจตัวไม่ถูกใจแล้วก็ยังยึดว่าเราถูกเราถูกเราถูกมันยังเต็มอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นยังเก่งนี่ทำได้แค่สมถะ ที่จะพูดง่ายๆว่าไม่ไปลุกรานเขาเท่านั้นเองแต่โดยโดยตัวเองแล้วไอ้ที่ไม่ลุกรานเขาเนี่ยก็คือตั้งตั้งตั้งตั้งมั่นอยู่นะตั้งตั้งรับไว้นะแต่ถ้าถ้าแย้มมาได้เรื่องนะถ้าแย้มมาเมื่อไหร่ทันทีเพราะากิเลสมันยังอยู่เนี่ยถ้าแย้มมาทักคำสองคาเนี่ยทันทีเลยกระตุกกระตุกหน ว, หนวดเสือเสือจะคำรามลั่นเลยครเนี้ยรับรองเลยเพราะว่าไม่ได้ล้างเนี่ย ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องกิเลสตัวเองจริงเพราะฉะนั้นอย่างเก่งมันข่มเอาไว้มันเก็บกดเอาไว้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอะไรอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันเท่านั้นเองถ้ายุ่งกับฉันเมื่อไหร่ได้เรื่องเลยทันทีวิปัสสนาก็คือการที่เราเนี่ยเอากิเลสของเราเนี่ยมาพิจารณา วิปัสนาไม่ได้หมายความว่ามานั่งคิดคิดคิดคิดคิดฟุ้งซ่านได้นะมานั่งคิดคิดคเนี่ยฟุ้งซ่านได้ฟุ้งไปเรื่อยอะเรื่องโนเรื่องนี่เรื่องนั่นอะไรได้แต่วิปัสนานี่หมายถึงว่าเอากิเลสแต่ก่อนจะเอากิเลสของเรามาเนี่ยก็ต้องเห็นกิเลสเราให้ได้ก่อน